بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على و ص و ل و ัลลอฮฺุสซาลฺลฺมุลลอฮฺอัลลอฮฺุสซาลฺลฺมุลลอฮฺอัลลอฮฺุสซาลฺลฺมุลลอฮฺอัลลอ ن ฺุสซาลฺลฺมุลลอฮฺอัลล أن نكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذبنا. ا اللهم ف ق ح ن ا في الدين وعلمنا ا ل ث و ي ل اللهم ج ع ل ن ا من عبادك الصالحين. ا ل ح م ล لله เรากำลังเรียนหรือกำลังพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายนะครับสุรา ا ل م ฟิฟีนซึ่งเราเริ่มไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปช่วงเรียกวบท เริ่มต้นของสุราของมุทัฟฟิสินเริ่มต้นสุราเนี่ยครับก็พูดถึงการที่มนุษย์ผู้ปฏิเสธศัตรูขอ์สุรฮานะอัตตะละโดยเฉพาะบรรดามุชริกีนในยุคของท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัมที่มีนิสัยเป็นพวกมุทัฟฟิสินนะครับชอบ คอรัปชันเก็บเล็กเก็บน้อยนะเวลาที่ช่างคนอื่นก็เอาเต็มแต่เวลาตัวเองช่างให้กับคนอื่นเนี่ยกลับบกพร่องหรือโกงนะครับโกงแต่ช่างโกงเครื่องตรวจวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าราัฐาลาใช้วิธีไหนในการที่จะตักเตือนบุคคลกลุ่มเหล่านี้เพื่อให้กลับไปสู่หงทางของโลกสุขภาณรัฐาลา และบรรปลายของผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างไรวันนี้เรามาอ่านสุรหัลมุตับสีฟินนะครับผมอยากจะให้เปลี่ยนเพราะสุราห์นี้ค่อนข้างจะยาวก็เลยอยากจะให้มีการอ่านเรียกว่าอะไรนะการอ่านแบบมีมีอาสาสมัครด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องอ่านตามพวกเราไม่ต้องอ่านตามเดี๋ยวผมจะอ่านไปสักส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีสักสมคน ที่เป็นอาสาสมัครของเราในวันนี้นะครับในการที่จะอ่านให้จบสุราสุราทูลุตาะฟิฟินครับนาเท่าไหร่นะภาษาไทยตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มแ ร, เรกเลยแปดสามนะเตรียมตัวให้ดีนะครับบรรด า, าคนที่คิดว่าอยากจะเป็นอาสาสมัครนะเอานี้หนึ่งสองสามสามคน ไม่ต้องอ่านตามนะครับฟังฟังแล้วก็ดูตามอูบิลลาฮิมินอัลชาอีตานอัลวาดีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานอัลรอฮีม ويلل المطاففين الذين إذا แต่ลูอ ل ลบนนักสิ่งที่พวกเขาจะกินและเมื่อพวกเขาทาสี ي ์ูม์ใหญ و ย์ย์ م ม์ย์ย์ ر َุนน ا ل ลีรั ل َ์อัลَาَ ل ม์ ا ัลล่าอินัต์َัตตาบ์َัลฟุดจ ว่ามาอัตราช ا าสิดีนคัตตามมารุบเห็นไหมครับอ่ะอรอ ال ا ل ذ มีนูนด้วยครับบูน่เอาหมครับทาน وما يكذب به إلا كل م ح ت ٍ أسي إذا ت ْ ل ع َ ل ي ه آياتنا قال ساطير أوهول شلابل ตรงนี้นะครับมีวิธีการอ่านพี่ต้องสังเกตเห็นมีตัวซีนข้างบนตัวเล็กๆถ้าเป็นมัศับมาดีนะนะครับไม่รู้ว่าในภาษาไทยเขาเขียนมีตัวซีนไหมกาลลาเบลตรงนี้เราเรียกสักจะสักจะก็คือการหยุดโดยที่ไม่ต้องอผ่อนลมหายใจกาลลาเบลร้นนไม่ต้องสูดลมหายใจคือหยุดแป๊บหนึ่งปกติเวลาที่เราหยุดอายัดเนี่ยเราจะต้อง สูดลมหายใจเข้าใช่ไหมครับัลละ إذا تطلع عليه آياتنا ق ا อ ساطر الأولين รับสุดลมหายใจแล้วก็ัลละ بل แต่ว่าตรงนี้่ไม่ต้องสูดลมหายใจั ل ละ ب ล ران على قلوبهم ما كانوا يكسبو เราเรียกว่าักจัซักจก็คือการหยุดโดงที่ไม่ต้องให้มีการ เอาลมหายใจคือใช้ลมหายใจเดินในการอ่านอายัดนั้นต่อนะครับลออ่นอนานใหม่อีกทีสิกา ล, ลาบล อ, อ, อย่างนี้ครับกั ล, ลาบลหยุดเลยกั ล, ลาบลรอนะอ ง, งันากมาะกลบลรอน บารักัลลอฮฟิกใคสักคนตรงกลางอัสตอับดุลฮลีมหน่อยครับนานๆครั้งมาเจะได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับกัล ฟรารีอินน์คิ ไปเชิญครับเอเมน بارك الله فيك นี <chill> ่สักคน وإذا เรารูเห็นยังไครับเอ้า وإذا ر รารู้เห็น أنا نحب أرسله وما أرسله. ครับสุรั์นี้เป็นสุรั์ที่ถ้าพิจารณาดูให้ดีท่วงทานองและก็สำเนียงประำนวนประโยคของมันเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีมีมีเนื้อหาที่เชิงจ ะ, ะบรรยายสภาพของสองอย่างที่มันตรงกันข้ามกั น, กนระหว่างไฟที่เป็นอัลฟุจั่กับไฟที่เป็น อัลอับรารัมซสองสองพวกนี้อัลลอฮ์พูดถึงแล้วในสุราอัลอินฟิตาได้ครับในสุราอัลอินฟิตารอัลลอฮ์ตรัสว่อินนัลอับราฮลาฟีน عينو อินนัลฟุจ ف าราลาฟีจหิมซักอีกยุคหนึ่งในสุราอัลมุทัฟฟิฟินอัลลอฮ์ตรัสวาเรื่ด้วยอินเคลลาอิน كتاب الفجّاري และซีซีจีเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนิดหนึ่ง อายัดยาวมาหน่อยหนึ่งอธิบายอัลฟุตจามาถึงอัลอร์ก็อธิบายขยายความจากสุรัต์อัลอินฟิลทเพราะฉะนั้นสองสุรัตนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมาดูกันครับตั้งแต่อายัดที่เ็เป็นต้นไปหนึ่งถึงเราเรียนไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัลลออินนักีตาบัลฟุจาอัลลฟิสจีวมาอราะคมาสจี ขณะอธิบายนะครับบรรดานัก the ีรีที you, ่อธิบายนะบอกว่านี้ทนั้ทั้ี้นั้ที้ทั้ทั้ี้นี้ทนทั้งนน Allah Subhanahu Wa Taala ในข้อความนี้เนี่ยคำหลังที่จะจัจจ์์ก็คือการถ้าเป็นภาษาภาษาของชาวบ้านเวลาที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยไล่นะสมมตเิเลี้ยงวัวเป็นฝูงเลี้ยงสัตว์เป็นฝูงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเวลาที่จะต้อน เวลาที่จะต้อนวัวเข้าเ ข, าข้าคอกต้อนแพะเ ข, าข้าคอกเขาต้องทำยังไงครับต้องทำเสียงยังไงฮึฮึฮึแต่ต้องต้องลว่าต้องไล่ด้วยเสียงที่เพื่อให้ะสะดุ้งตื่นกันลลาเนี่ยประมาณนั้น harfuzajer ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกสะดุง้งนะฟังอยู่ดีๆแล้วพ อ, อมาคำว่ากัลลาแสดงว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เรื่องเรื่องธรรมดาน้ำเสียงระดับธรรมดาไม่ใช่เป็นกันลาตกใจระหนกตกใจเป็นการเป็นกา ร, รกาขับไล่เป็นการตำหนิอย่างแรงเจจึงนะครับอัลลุบฮะาหตำหนิบรรดาพวกะพวกที่มีนิสัยเวลาเวลาตวงให้คนอื่นแล้วโกงเวลาตวงเอาให้กับตัวเองเนี่ยเอาเต็มเนี่ย สตะลาตัมนิกตยมิยังแรงและทาให้สะดุ้งตกใจด้วยการบอกว่าอินนกาบัลฟุจารีและสี่สิบีนิทาบัลฟุจารหมายถึงนนยคบอกว่าอินนมซรฮุมวะมวฮุมลสิยีิทหมายถึงการบันทึกหมายความว่าถูกบันทึกไว้แล้วและถูกจารึกไว้แล้วถูกกาหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วว่าคนชั่วจะต้องอยู่ใน สิจินคำนี้นี่ไม่ต้องอธิบายคือไม่ต้องแปลความหมายเพราะรัตร ะ, ะต้องการให้เราจําคํานี้เอาว่าสิจินเหมือนกับที่รัตร ะ, ะต้องการให้เรารู้จักคําว่าย ah ัฮ ah ันนัมจหิมอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องแปลมันเหมือนกับทับศัพท์เป็นชื่อของมันเลยเป็นชื่อของสิ่งของเป็นชื่อที่เราจะต้องรู้จักโดยตัวของมันเองไม่ต้องเหมือนเหมือนบางคนบอกชื่ออะไรชื่ออะไรบางทีไม่ไม่ได้ถามนะคุณชื่ออะไร ไม่มีหรอกถามหลมังจากน้อยมากถึงแม้ว่าจะมีความหมายประวัติชื่ออัลกุลล่าชื่ออัลกุลรัฮ์มานชื่ออัลกุลรอซักชื่อ อ, อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีหรอกคนถามว่าเอ๊ะตกลงชื่อนี้หมายถึงอะไรมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากส่วนใหญ่ก็คือรู้จักชื่อไว้ก่อนอันนี้รัศดรต้องการให้เรารู้จักชื่อนี้อินนักิตาเบลฟูจารีและฟิซิกีนคนพวกนี้จะต้องอยู่ในสซีจีน ทีนี้ไม่มีใครรู้จักว่าสิดจีนคืออะไรก็เลยมีการเสริมต่อด้วยอายั์หลังจากนั้นว่าว่ามาอัลลอการมาสิจีนเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าสิจีนเป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับมันมากอัลลอฮฺแล้วอัลลอ์ก็เฉลยกิตาบุมบุมอือ คิตาม์มารคูมข่ารันลิมุตเตออินมหดูฟยังูดอลาคิตาม์ฟูจ้าอัลมารควูมอัลแกทูบตาบตันว่าด้ชัตบีเนต์ตชบุ้นขัหมายความว่าการบันทึกนี้เนี่ยเป็นการบันทึกที่ชัดเจนนะถูกบันทึกไว้ชัดเจนเหมือนกับว่าถูกขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนแล้วอะ พวกที่ชั่วช้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในซิญจคำว่าสิญจนเนี่ยโดยรัพท์ของมันเนี่ยมีหลายความหมายนะครับบรรดาอุลามะที่เป็นนักตัซีร์เนี่ยได้ี่บายว่าซิญจนเนี่ยมาจากคาว่าสซิสซิหมายถึงคุกในภาษาไทยผมไม่ได้พาภาษาไทยมาเขาอธิบายว่าอย่างิญจฮะิญจหมายถึงคุกเป็นคุกในนรกยัฮันดัม ซึ่งคําว่าคุกเนี่ยอะซิเจนเนี่ยมาจากคําว่าร้อยหีบอยู่ในที่ขับแค่แสดงว่าบรรดาผู้ที่ถูกลงโทษในนรกจะหันนำเนี่ยจะอยู่ในที่ขับแค่ทับผมบางท่านีร บ, บอกว่านะบางคนบอกว่าอยู่ใต้คำชั้นใต้ดินชั้นชั้นเจ็อบ อ, อะไรนะอยู่ข้างล่างสุดเลยนี่คือสิงจิน ن บนอเรื่องเล็ก้นีทมนุษย์่ยนิียหรอ ل ك ي ي ي ا ا ه. إ إ ل ول ه ا ل ل ه ت ا, إ ب ل ف ا ل ل ه ل ه ัเร่อนนี่แหละครับ ที่อัลลอสุบไพรจะจำเป็นต้องใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์สะดุดแล้วก็รู้สึกตัวพฤติกรรมที่ทำให้บางครั้งก็หลงเผลอหลงเผลอบางทีอาจจะเพลินมีนิสัยไม่ดีแบบนี้จนเพลินนึกไปว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ขีดเดียวแค่สองขีดแค่ เวลาที่เราทํากับคนอื่นเวลาที่เราทาํามาค้าขายอะไรเนี่ยเรานะครับเอาของคนอื่นมาโดยที่นะคนคนที่เป็นคู่กรณีเราไม่รับทราบเรานึกเอามาเป็นเรื่องเล็กเกแต่ล้อสบาวตะลาเนี่ยตำหนิอย่างรุนแรงถึงกับต้องใช้คําว่ากั้นละนะครับกัล้ละเรื่องนะความคิดสิ่งที่พวกเจ้าคิดสิ่งที่พวกเจ้าทําสิ่งที่พวกเจ้าคาดเดาว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆจริงๆแล้วในทัศนะของล้อสบาวตะลานั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่จะทำให้เจ้านั้นจะต้องถูกบันทึกไวเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเข้าสู่การลงโทษในนรกยันนำที่คับแค่นะครับไม่สามารถที่จะออกมาจากในนั้นได้นาอูบิดล่ะนน้นคิตาบมาร์กูมไวลุยโยอิลลิลมุคดิบีน วิล์นยื่อมาอิ้ลล์ลมุคซดบินคําว่าวิล์นเรู้ว่าที่บาล้วตอนแรกของาะสุราห์นะครับวล์น์ล์ล์ล์มุตัฟฟีคำว่าวิล์นเนี่ยหมายถึง2ความหมายหนึ่งหายนะนะครับ2หมายถึงขบเหวแห่งหนึ่งในนรกจะหันนำซึ่งสองความหมายนี้ก็ไม่ได้คานกันใครที่ตกนรกแน่นอนว่าชีวิตของเขาหายนะอย่างแน่นอนเอาคือเป็นล ะ, ะเมอละลิความหายนะที่แท้จริงคือความหายนะในนรกจะหันนำ น ะ, ะบางทีบนโลกนี้เราอาจจะคิดว่ า, เ, าเราทําพฤติกรรมที่ไม่ดีเราทําเราเอาของคนอื่นมาโดยไม่ชอบเพราะกลัวว่าตัวเองจะหา ย, ยนะะคนที่โกงเขาโกงเพราะอะไระเขาคิดเขาคิดพวกที่โกงทั้งหลายพวกที่หาเงินโดยไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาคิดยังไงทําไมถึงหาเงินมาด้วยวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ที่ไม่สะอาดเพราะอะไรครับเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ย เดี๋ยวอาจจะยากจนเดี๋ยวอาจจะไม่มีเงินใช้กลัวว่าตัวเองจะหายนะจริงๆแล้วหายนะบนโลกนี้เนี่ยไม่ใช่หายยนะของแท้หายนะของแท้คือหายนะในโลกอาครัตอุลอินนัลคอซีรินอัลลัีนัชซิรูอัลลัีนัชซิรูอัฟุสะฮุมอัลลัีนัชซิรูอัฟุสะฮุมวะฮ์ลิฮิมยอมันเฟียนะบรรดาผู้ที่ขาดทุน จริงๆแล้วคือผู้ที่ขาดทุนในเรื่องของตัวเองและก็ลูกหลานของตัวเองย้ามัลกียร์มาในวันเกียรมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นไวลุนเย้ามาอิซินลิลมุกจีบีนความอายนะหรือหุบเหวแห่งความแห่งนรกยันนำนั้นจะต้องประสบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานาวาสซาลลปฏิเสธการฟื้นคืนชีพในวันเกียรมั้ยนะอั له, ลลอฮฺ มนุษย์เมื่อปฏิเสธอ l ล a h เมื่อปฏิเสธวันเกียรตก็สามารถจะทำได้ทุกอย่างไม่มีขอบเขตในการคิดในการจินตนาการในเรื่องของความชั่วนี่คือผลร้ายบางครั้งเราอาจจะมองว่าการการศรัทธาต่อวันอัคราเป็นเรื่องร้ายสาระนะเป็นเรื่องที่ประหลาเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของคนที่โง่เขลาเปลาปัญญาเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องหลายๆอย่างที่เขาที่บรรดาคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อหลอกสภาวะหรือไม่ยอมศรัทธาต่อวันอัคราพยายามหาข้ออ้างมาเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกอย่างหนึ่งที่พวกเขากาลังปิดอยู่นั่นก็คือความไม่กล้าที่จะทําดีไม่กล้าที่จะทําดีไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตโดยมีอาคราคนพวกนี้จริงๆแล้วเป็นพวกที่กลัวไม่ใช่พวกกล้า คนที่ปฏิเสธ Allah จริงๆแล้วไม่ได้กล้านะเป็นพวกกลัวกลัวว่าจะอยู่บนโลกนี้แล้วไม่สามารถจะตอบสนองให้กับอารมณ์ของตัวเองได้ในขณะที่คนที่ศรัทธาต่อ Allah ศรัทธาตา่อวาระคคือคนที่กลา้ากล้าจะปฏิเสธอารมณ์ตัวเองกล้าที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแตะต้องสิ่งที่มันเป็นอับอายมุกสิ่งที่มันเป็นเรื่องมุจล่างลนะ่ะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การมองมันอยู่ที่การมองมันอยู่ที่การอธิบายว่าเราจะอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราอย่างไงอลูกะซีบินผู้ปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บมันทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างตามที่ต้องการบนโลกนี้แต่พอถึงวันอัคราปปุ๊บอยู่ไม่ได้นะครับน้อูรุบินละวาวลุยอเมอิซิลล์มุคซะดบิน อันละีนายู่แค่จบูนเบียวมิดีหมายถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อวันแห่งการตอบแทนนะครับอายัดนี้ก็พ้องกันนะคล้ายๆ ก, กันกับอายัดในส ah ุราะอัลอิมฟิตอ์ที่เราถามว่าว่เมื่ออดร์แคมาเยาวมุดดีนะครับเยาวมุดดีเยามุดดีในสุรษะฟัติฮะก็มีนะนี่ก็เป็นชื่อหนึ่งของวันเกียรติ พี่น้องเจออย่างนี้ในอัลกุรอานไปเจออย่างนี้ในอลกุรอานไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะรัในซูร า, ราหไหนก็แล้วแต่ในอลกุรอานยาวมุดดีนยาวมดดีนโยามาดดีนหมายถึงวันแห่งการตอบแท่งนะครับลิกิยาวมุดดีนพระพู้เป็นเจ้าผู้สรงครอบครองสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างในวันแห่งการตอบแท่งไม่มีใครที่สามารถจะอ้างสิทธิ์ได้นในวันนั้นนอกจากต้องอ่าน การอนุมติจาก Allah s u แม้แต่บรรดามเลิกัดเองไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้า a l l บรรดามลิกัดเองนะบรรดามเลิกัดเองจิบรลลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเองไม่ไม่พูดแม้แต่ท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเองก็ไม่พูดต่อหน้าอ l l a h s u b ทุกคนี่เกร็หมดเลยนี่คือสภาพว่าอำนาจจริงๆแล้วเป็นของ Allah b a n a a t เพียงพระองค์เดียว Allāhi nā ย u q a z z i b u n b i y สังเกตอายะนี้ให้ดีนะครับว่าใครเป็นผู้ปฏิเสธวันอัคราวะยุคซีบบีฮิอิลล์คุลมุตัดินอซีม سبحان อัลลอฮ์ <يم> ยากเหลือเกินที่เราจะปฏิเสธอายะนี้ละตั๋ลาบอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธไม่มีใครที่ปฏิเสธวันอัคราส่วนใหญ่หรือคนที่ปฏิเสธวันอัคราเนี่ย ดูได้เลยมีสองคุณลักษณะนี้เมื่อตจเดนเป็นผู้ที่ละเมิดขอบเขตของ Allah อัซีมชอบทำผิดอย่างมากต่อโลกสุภานาจารคนดีๆเขาไม่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีแล้วนะ ค, คนที่ไม่คนที่ทำคนที่ปฏิเสธวันอาคครัตเนี่ยส่วนใหญ่ลยจะเป็นคนแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนแบบนี้ทุกทุกคนด้วยซ้ำไปเมื่อเะเดน และเมื่อขอบเขตของลอสลอสบอกว่ามนุษย์ควรจะต้องมีชีวิตอยู่ในกรอบแบบไหนอะไรยังไงคนคนนี้อยู่นอกกรอบไม่ใช้ชีวิตอยู่ตามกรอบขอบเขตของลอสหรือไม่มก็เป็นพวกที่อซีนอาซีนก็คือคนที่ชอบทาบาปคนที่ชอบเรื่องของความชั่วเรื่องของอบอยมุขจะอลอสวาสลัสอะไรบางครั้งความชั่วที่ตัวเองทํำเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาตาชั่งในเชิง ศา ส, สนาหรือบทบัญญัติทางศาสนามาวัดเนี่ยด้วยความคิดสติปัญญาเปล่าๆของมนุษย์ที่บริสุทธิ์เนี่ยก็สามารถจะบอกได้ว่าไอพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกบ้างสมมติยกตัวอย่างการโกหกมีมนุษย์คนไหนบ้างในโลกนี้ที่ยอมรับการโกหกได้ไม่ไมนะ่ว่าจะนับถือศาสนา ห, นหรือคนที่ไม่มีศาสนาก็แล้วแต่ยอรับไปได้โดยความจริงและสาหรับแล้วเป็นสิ่งเป็นเป็นเรื่องที่ น่าเกลียดมากนะครับความอายุติธรรมไม่มีใครที่รับได้ความอายุติธรรมนะการเอเอียงเข้าข้างนะการคอร์รัปชันการโกงไม่มีใครรับได้เพราะฉะนั้นนะอัลมุตจาเดนอซีมบางครั้งเนี่ยมุตจาเดนอาซีมไม่ได้ละเมิดขอบเขตขอรับสะาระเพียงอย่างเดียวชอบทำชั่วด้วยแลวชอบทำชั่วโดยคว่าโดย โดยกฎเกณฑ์หรือว่าโดยมาตรฐานของมนุษย์เองซึ่งไม่ใช่มาตรฐานของ Allah ก็เป็นความชั่วยอยู่แล้วแต่ชอบทำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่ยู่แคิบุบียวมิดตีนะเป็นพวกที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวันนั้หรอุบิลลาฮวะลาฮิดะอิดาตุตละะลยฮิอายาตุนากาลอาซาติรุลอาวลีเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับนะพวกที่ปฏิเสธปฏิเสธ วันอัคราตปฏิเสธวันส nah, um nah, ิ้นโลกปฏิเสธโลกหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างที่อัลลอฮฺตะลาบอกว่าอิจัดทุตลาอะไรฮิอหยาถุเนเวลาที่ได้ฟังองค์การต่างๆของ Allah ว่าแล้ที่มีคนไปเรียกร้องอ่านอายัดต่างๆของ Allah คำสอนพระดํารัสของ Allah ตะลาบอกอัลกุรอานเป็นอย่างนี้นะวัฒนารรมอิสลามเป็นอย่างนี้นะวันอัคราตมีจริงนะนรกมีจริงนะสภาพของวันอัคราตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เาเล่ามาตั้งแต่กี่ซุรอกกีซุรอก็แต่สิ่งที่คนเหล่านี้จะตอบกลับมาก็คื อ, <S <s <it> อยากรุลกาละอสซาตีรุลอวะลีนะคนที่ปฏิเสธวันอาคราเนี้จะตอบว่าไอ้อายัก ต, ต่างๆของรอบสุภาจากอะไรที่เจ้าอ่านให้เราฟังเนี่ยเป็นเพียงแค่อซาตีอสาตีก็คือนิทาน ป, าปรัมปาราอัลอวะลีนของคนรุ่นก่อน เป็นเรื่องสมัยโบราณเป็นความคิดโบราณโบราณในภาพออกไหมครับนะมุสลิมหัวโบราณที่เขาห้ากันอยู่นะครับมุสลิมเป็นพวกหัวโบราณเชื่ออย่างงมงงง่ายง่ายนะไม่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นี่คือลักษณะของคนที่ปฏิเสธวันอาคราแปลกไหมเราไปหานะลองไปหาคนที่ไม่ยอมเชื่อวันอาคราวันวันกิยามัดดูนะว่าเราไปพูดกับเขาอย่างนี้อะไรอ่ะ ฟังดูมันตรงกับอายัดนี้แทบจะเอาบรรทัดมาวัดได้เลยเอาแล้วกำลังพูดถึงนิสัยของคนที่ปฏิเสธอนัชรัตแล้วเวลาที่เราไปพูดคุยกับคนเหล่านี้นี่พี่น้องจะต้องเจอกับเรื่องนี้น่รับรองร้อยเเ็พี่น้องจะต้องเจอกับคำพูดแบบนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่เป็นลักษณะเนี้ยลักษณะอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยุคสมัยดึกดำบันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ โดยเฉพาะคนที่เรียนแบบเอาความคิดในเชิงในเชิงแบบเขาเรียกว่าความคิดแบบตน ต, ตไม่เชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้าาถ้ า, ถ, าถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่เชื่อนะครับต้องต้อ ง, ต, องต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ก่อนถึงจะเรียกเป็นความรู้อะไรก็ตามที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยคนค น, คนกลุ่มนี้ไม่ยอมที่จะยอมรับว่าเป็นความรู้นะครับอนะุบิลลอฮ์มุเลาะเพราะฉะนั้น สอสประการที่เราตาลาพูดถึงคนที่ปฏิเสธวันแก่มันก็คือหนึ่งเหมจ ะ, ะดินอาซีนละเมิดขอบเขตของเราและทําผิดบาปอย่างมากมายชอบทําสิ่งที่สกปรกสมองนะครับบาปก็คือความสกปรกสมองบาปเนี่ยอัลอิสมูภาษาอาหรับว่าอัลอิสมูว่าอัลซัมบูคือความสกปรกไม่มีบาปไหนที่สะอาดหรอกครับลองพี่น้องลองลอ ง, ลองนึก ลองนึกจินตนาการลองยกมาสักตัวอย่างนึงที่สิ่งที่มันเป็นบาปทุกอย่างเป็นสิ่งสกรปรกหมดนละขโมยของก็สกรปรกนะทำซีนาก็สกรปรกดื่มเหล้าก็สกรปรกมันมันเป็นสิ่งที่สกรปรกหมดเลยเป็นสิ่งที่โสกรปรกบางครั้งอาจจะสกรปรกไม่ใช่เฉพาะในเชิงนามธรรมเชิงรูปธรรมมันก็สกรปรกเป็นการกระทำที่โสโครก รับยอมรั บ, รบไม่ได้ทิตฐะของมนุษย์ยอมรับไม่ได้การมนสันดานของมนุษย์เนี่ยยอมรับไม่ได้บาปาะฉะนั้นน่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนที่มีการมนสันดานบริสุทธิ์เนี่ยเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายมากว่าอันนี้บาป อ, อันนี้บุญแต่ทําไมมนุษย์ยังทําบาปอันนี้แหละคือคําถามที่หนัก่าที่เราจะตอบและจะทํายังไงให้มนุษย์ทําบาปลองถามสิ ลองถามบันดานนักคิดนักวิชาการที่เรียนจบสูงๆมาฮะคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงให้มนุษย์เลิกทำบาปถ้าไม่มีการศรัทธาต่อวันอัคราไม่มีทำไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีวันอัครามองเรื่องบาปเป็นเรื่องปกติ เพราะไม่จำเป็นต้องรับการลงโทษจากลอสุบฮ า, าราต้าละในขณะที่อิสลามสอนว่าแม้กระทั่งหนึ่งคีที่คุณโกงคนมาเนี่ยคุณจะต้องได้รับการลงโทษต้าว่าเจ้าของไม่อนุญาตไม่อภัยให้กับคนเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดโ ด, โดยดั้งเดิมะนะถ้าเป็นมุสลิมที่แท้จริงที่มี إ ي ่านมั่นคงต่อลต่อวันอาครัเนี่ยจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก เพราะไมทำบาลในขณะที่คนไม่มีอัลลอฮ์คนไม่มีวันอัลกุรอาน Allah, Allah, Akbar, เราไม่รู้จะถ้าถ้ถถาถ้าเอาถ้าเอามามาตั้งอันนี้หนึ่งคนมุสลิมนี่หนึ่งคนไม่ใช่มุสลิมลองนับทีละอันทีละอันลองมาเปรียบเทียบทีละอันเอาเอาแบบที่มันใกล้ๆ ก, ลกันเนี่ยไปต้องคิดว่าอันไหนจะเจอผลที่ออกมาผลเอ็กซเรย์จะออกมาเป็นยังไง นะอิลลฮิอิลอลอฮฺนะอิลลัฮิอิลลอฮฺนะอิลลฮิอิลลอฮฺลองคิดดูนะครับเรื่องเรื่องเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองเป็นเป็นเรื่องเล็กแต่อิสลามไม่ได้เล็กด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องอ Aw ว, วัยวะอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยลัทธิอลาบอกว่าส่วนไหนถึงส่วนไหนอิสลามบอกเลยว่าส่วนไหนถึงส่วนไหนต้องปกปิดนะของคาเฟ่เนี่ยบิบอกไหมฮะไม่บอกไห ม, ไมว่าอันนี้วาจิกต้องปิดนะอันนี้สุนนัข ต, ต้องปิดนะอันนี้ นะถ้าไม่มีบอกไม่มีไม่หามาแล้วไม่มีบอกหรอกนา่าจะเปิดยังไงก็ได้นั่นแหละที่กขาเปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรไอิสลามบอกว่าต้องปิดนะเฉพาะผู้หญิงจะต้องปิดผู้หญิงนี่มีค่ามากในอิสลามเป็นเหมือนไข่มุกไข่มุกสวยหรือเป็นของที่สวยงามต้องปกปิดให้ดีไม่งั้นเราจะมีแมลงวันมาตอมแ้วมันก็จะเสียหาย<ไ>ถ้าเป็นไข่มุกก็ต้องเก็บเก็บในกล่องให้ดี เก็บในกล่องอยังไม่พอนะต้องล็อกใส่เข้าไปในตู้เซฟด้วยใช่ไหมฮะของแพงๆไม่ใช่เอามาตั้งโชว์หน้าหน้ากระไดบ้านใครไปใครมาก็หยิบมาลูกคลาคนนู้นก็ลูกคนนี้ก็ลูกเดี๋ยวมันก็นี่แหละครับคืออิสลามเพราะฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องการทำอบายมุกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่แ น, นกับอกิดะน้องอย่าคิด ว่าการโกงตาช่างนี่ไม่เกี่ยวข้องกับอกักขิณานะการที่มุสลิมรักษาตาช่างเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอกักขิณาเกี่ยวข้องกับอกักขิณาทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาเนี่ยจะจะต้องออกมาจากความนึกคิดของเขาทั้งสิ้นมนุษย์ทุกคนทําอะไรลงไปตามความเชื่อของตัวเองความเชื่อนี่แหละที่เราเรียกว่าอากักขิณาถ้ามีอกักขิณาดีพฤติกรรมมันก็ออกมาดี ถ, ะะถ้าเราเชื่อว่ า, าเราทําอย่างนี้พระเจ้าะราจะลงโทษเราเราก็ไม่ทํำถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้พระเจ้าจะให้บุญเรานั่นแหละที่เราทำํำที่เรามาละหมาดเพราะอะไรเพราะเรามีอะกดะว่าคนที่ละหมาดจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับเราใจส ก, กัดทําไมนะเราทํานู่นทำนี่ท ำ, ทำเพราะอะกดะของเราสอนเราว่าการกระทําอย่างนี้คือการกระทําของคนที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างไรเพราะฉะนั้นการทําบาปก็เหมือนกันเมื่อไม่มีอะกดะในส่วนนี้ มนุษย์ใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งอบัยมุกจนบางครั้งไม่อยากกลัวที่จะออกจากทะเลนี้เพราะรู้สึกว่าพอออกจากทะเลนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะมีความสุขไหมชีวิตของตัวเองนั่นเขาจะเป็นได้มื่อใยกเว้นบางคนที่ไหนแหน่งหรือว่าเบื่อใช้สมทเลเทเมาสมทะเลเทเมาจนกระทั่งว่าไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วจะตอบสนองอารมณ์ อารมณอ์อยากจะกินอันนี้กินอยากจะทําอันนั้นทําจนกระทั่งพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันทําทุกอย่างแล้วที่มันชั่วทั้งหมดบนโลกนี้จนจนจนฮาวานัฟซูนี่เขาเรียกว่าตายด้านแล้ะเอาของที่เลวขนาดไหนมันทาก็ไม่ไมีความสุขแล้วนะครับนั่นแหละถึงต้องหาคําตอบว่าอะไรคือความสุขที่อยู่เนื้อจากเนื้อการตอบสนองอารมณ์ของตัวเอง คนพวกนี้แหละส่วนใหญ่จะหันกลับมาสู่อิสลามถ้าหาัก็จะหันกลับมาสู่อิสลามหรือถ้าหากที่ตายไปก็จะจมอยู่ในโคลนของของบาปเลยอันนั้นก็เยอะอันนั้นก็เยอะแต่คนแต่คนที่ตื่นขึ้นมาจากโคลนแห่งบาปแล้วก็กลับมาสู่แสงสว่างของอิสลามก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจำเอาไว้ว่าบาปทุกอย่างคือความสกปรก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่ามันเป็นบาปคือความโสโครกที่จะมาทําลายหัวใจของมนุษย์ทําให้มนุษย์นั้ น, ส, น, ส, นสุ้นอะไรนะสูสิ้นสูญเสียความเป็นมนุษย์ครับอย่างที่ อ, อัลลอฮฺสั่งจ่าละท่านนาบีาาสโลฮฺสัลลฺบอกกับเราว่าเราทุกคนเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์คุณรูเมาลูเดนยูล้ดอารัลิิตรักพวกเราทุกคนเกิดมาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ พอโตขึ้นพอเป็นวัยรุ่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มันเข้ามาเลยไอความบริสุทธิ์ของเรานี่ถูกแต่งแต้มเดี๋ยวพ่อก็แต่งแบบนี้เดี๋ยวแม่แต่งแบบนี้ไปเจอครูครูก็แต่งอะกิดะแบบนี้อ่าพอเรียนมหาลัยอาจารย์ในมหาลัยก็เอาอะเกิดะของอาจารย์มาใส่ในสมองเรามันก็โดนมั้งนะพอออกไปทํางานเจอเจ้านายเจ้านายเอาอะกิดะหามาใส่อะเจอคนนู้นก็เอาอะกิดะเอาคือมันมันแต่งถูกแต่งแต้หมด ใ น, นขณะที่ตอนแรกที่เราเกิดมันก็ไม่สุดสะอาดพอไปทําบาปนู้นก็มีมีดอตมีรอ ย, รอยด่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นบาปทุกอย่างคือความปกปกระปรกน้องนะครับจําเอาไว้ขึ้นใจเลยทุกครั้งที่ทําบาปอัลลอฮฺซุบฮฺฮาวตัลลาเหมือนกับอะรกที่ส <c oughs> ิบสี่นะที่อัลลอฮฺกลบอกว่าเคลบัลรานะลากูลูบิหิมมะคารุยซิบู ร้อนคำว่าร้อนเนี่ยมาจากสนิมอะไร a, im, pra, ja, wa, pit, a i n คือล่บลร้อน على قلوبهم คนพวกนี้ที่ปฏิเสธวันอาครัตเป็นเพราะว่าหัวใจของพวกเขานั้นมีสนิมเกาะร้อน على قلوبهم ไม่ كانوا يكسبو จากความผิดหรือว่าการกระทําที่พวกเขานั้นปฏิเสธกูฟอรแล้วก็ก็ ความผิดบาปอย่างมากมายนะครับจนกระทั่งหัวใจของพวกเขานั้นเหมือนกับที่อัลลอฮฺตะลาบอกในสุรทูลบะกรฟีอะไนะนี่แหละครับหัวใจของคนกัเฟนะครับนอูซุบในฮะดษที่ท่านนบีสุลตัลลอฮัลลัมเคยบอกเราว่าอิจ๊อัจแนบะลัมดูซัมบันนุคิตต์ฟี่ัลเบฮีนุคิตตดวาลอะไรสุรทูลสลาทุกครั้งที่บ่าวทำผิดอตลลอฮจะจุ แตมสีดำลงบนหัวใจจนกระทั่งถ้าทำอีกไม่ขออภัยโทษแบบมันก็สะสมสะสมสะสมสะส ม, สะสมจนกระทั่งเต็มพอเต็มนี่แหละทำอะไรไม่ได้ละฮิายักษ์ไม่สามารถจะเข้ามาแล้วนะความบริสุทธิ์สะอาดของอัลกุรอานแม้มันจะใสสะอาดแค่ไหนแต่ถ้าหัวใจมันสกปรกมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวต้องใช้เวลานานมากในการขัดกลั่ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอย่าบอกว่าเออยังไม่ถึงอายุหกสิบยังไม่ต้องเตาบัดก่อนปล่อยให้สนิมมันเยอะก่อนค่อยจัดการทีเดียวอยระวังให้ดีคนคิดอย่างนี้เ <c oughs> พราะมั น, ห, นหัวใจของเราเนี่ยมันกับรถรถที่มันสกป ร, รกนะถ้าเราขัดมันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมันต้องเจอฝุ่นทุกวันนะรถเราเนี่ยบางทีเราขับไปนะเจอฝุ่นไปจอดเอาไว้ใต้ต้นไม้เดี๋ยวนกมันก็ขี้ใส่ใช่ไหมครับ ถ้าเราปล่ยหลายๆวันเนี่ยบางทีมันก็ถัดออกยากแต่ถ้าเราเอากลับมาบ้านปุ๊บล้างเลยเอาน้ํามาฉีดเลยแล้วก็ล้างหน่อยบางทีอาจจะไม่ต้องใช้น้ํำยา ก, ก็ล้างออกได้เพราะามันยังนิดเดียวมันยังไม่นานแต่ถ้ามันนานเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อันตรายไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าล้างแล้วบางทีมันอาจจะออกแล้วแต่ยังก็มีเรียกว่ายังมียังมีรอยอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันจะต้องขออวยโทษจากอัลลอฮฺมาอัลลอฮละท่านนาบีสุลตัลลัลละสลัมทำตัวอย่างให้เราแล้วนะครับ a ล l a, an, a ha, ai, h ว่ากรรเนี่ย س ب ح Allah س ب Allah سبحان a ลาฮาโวลาฮาุตัลนอฮ์ท่านนบีขอาวไยโทษว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งรครั้งอินนละยนุอลาหัตีท่านนบีบอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าหัวใจของฉันมีอะไรบางอย่างมาปกปิดอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเราคงเราเชื่อว่ามันคงไม่ใช่สนิมแน่นอนไม่ใช่เหมือนที่เราตาลาบอกรอนไม่ใช่แน่นอนเพราะท่านนบีเป็นคนที่หมาซู้แต่ท่านเขามีความรู้สึกว่า มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาปกคลุมหัวใจท่านก็เลยอิสติคฟาดเป็นการสแสดงให้เห็นว่าการอิสติคฟาดสามารถขจัดสิ่งที่มาปกปิดหัวใจนี้ได้อิสติคฟาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งของท่านนบีสุลตาวะที่สักเพราะฉะนั้นนะครับทําบาปอาจจะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์บางทีเราอาจจะรียว่าทนไม่ไหวนะครับชัยตอนมันล่อลวง ไอ้ไอ้ไ อ, อ้สมุนของเชยตอนที่เป็นมนุษย์บางทีมันก็ล่อลวงเราจนกระทั่งเราตกอยู่ในหลุมพรางของเชยตอนเพราะเชยตอนมันประกาศแล้วนะว่ามันจะมาทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังเราอยู่ตัวคนเดียวนะมันมาทางนี้ไม่ได้มันมาทางอื่นมันมาวิธีนี้ไม่ได้มันมาทางอื่นโดยเฉพาะคนดีนะเชยตอนจะไม่หลอกคนชั่วเัยตอนจะไม่ล่อลวงคนชั่วเพราะคนชั่วเป็นพวกมันอยู่แล้วน้องว่าจะจำมาไว้ให้ดี ใช่ตอนมันจะล่อลองเฉพาะคนดีถ้าใช่ตอนมาลวงเราแสดงว่าเราเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยจะต้องระวังตัวเวลาที่โดนใช่ตอนล่อลวงเลวเนี่ยจะต้องจะต้องกลับบางทีก็อาจจะโดนหลมพรางของใช่ตอนเราอย่าลืมนะครับว่าใช่ตอนมันมีประสบการณ์เยอะมากมันมีชีวิตมาตั้งแต่ยุค ข, ของท่านนาบีอาดามาลัยอิสลามประสบการณ์ของมันนี่สูงกว่าเราเราเนี่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้กี่ปีเองฮะ เรายังไม่ทันประสบการณ์ของชายตอนชายตอนนี้มันรู้นะถ้ามันล่อทางนี้ไม่ได้มันล่อทางนี้มันรู้นิสัยมนุษย์แล้วมันศึกษามามันเขาเรียกว่าทำวิจัยมานั่นต่ยุคนบีอาดัมมนุษย์ในยุคนบีอาดัมเป็นยังไงมนุษย์ในยุคนบีนุ่มเป็นยังไงมนุษย์ในยุคนบีมูซาเป็นยังไงมันถึงยุคนบีมูฮัมหมัดเป็นยังไงมันทั้หมดคนนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีบ้างแหละที่เราเป็นไปไม่ได้เหล่าที่เราจะไม่โดนมันเล็กน้อยนะครับวันสองวันแต่ เรามีทางออกจากลัทธิอัลลอฮ์มอบให้กับเราแล้วสเตฟานสักฟุรรอห์อัลตูเบะนะอ่านดุอ้านะอ่านอายัดกุศีตอนเช้าตอนเย็นอย่าลืมอ่านอายัดกุซีนะก่อนนอนอายัดกุซีหลังละหมาดห้าเวลาอายัดกุซีนี่ถือว่าเป็นอายัดป้องกันนะป้องกันใช่ตอนครบครอบจากละวาลอายัดกุศีเนี่ยอันนี้ชัดเจนมีอัดิสชัดเจนที่อธิบายว่าอายัดกุซีคืออายัดที่ใช่ตอนกลัวที่สุดเห็นไหมครับ ไม่มีวิธีมีทางออกของมันต้องดูแลหัวใจให้ดีอ ย, าย่าให้มีสนิมเกาะนะครับเพราะว่าคนที่มีสนมิมเกาะเนี่ยลอตตาลาบอกว่าขล่าอินนั้ม ع ห ب ม م يوم إذ ال م حجوب ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون นี่คือผลที่น่าหดหู่น่ารังทดที่ ส, ah um ال สุดสําหรับคนที่ มีสนิมเกาะหัวใจจนกระทั่งฮีดายัดไม่สามารถจะเข้าไปสู่หัวใจของเขาได้ในวันอัคคีรัตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาขอพละเจ้าให้เราค่อยมาดูกันรอบหน้าละกันเพราะต้องอธิบายอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้เห็นอัลลอฮ์สุบฮานะตะอานละในวันอัคคีรัตสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะครับสําหรับคืนนี้จะต้องหยุดเพียงแค่ น, นี้ก่อนนะครับอัลลอฮุโตาลาแล้วสัลลัลลอฮุอะลัยน์ะนีนะมุฮัมมัดีุลลอฮิลลัยฮุอะบดุลฮะัลลัม سبحان ر ب ك رب العزة ع م ا ي س ي و ن سلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.